ท่านฟังค้าท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันศนีสนทนาผ่านไปนะคะกับพระมารชาควโรแห่งวัดนาปาพงลำลูกกาคลองสิทธซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายๆของน้ำท่วมแต่ที่ช่ก็ยังไม่ได้เข้าไปในวัดเหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์จะแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าก็ฟังมาว่าบนถนนลำลูกกายังมีบางช่วงที่ทาให้รถปกติธรรมดาเนี่ยเดินทางไม่สะดวกอยู่เราก็มาถึงช่วงเวลาของ พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนซึ่งท่านอยู่ไกลจากน้ำทั่วมากนะคะอยู่จังหวัดอุดรธานีแต่ก็มาใกล้กับท่านผู้ฟังได้โดยเทคโนโลยีที่มีขึ้นมาในตอนนี้นะคะนวัม ก, การค่ะท่านคะเชิญพรค่ะหนาวหรื อ, อยังคะท่านเริ่มแล้ววันนี้อุณหภูมิลดลงมากต้องเริ่มเอาผ้าห่มมาใช้ละอ๋อค่ะเวลาอุณหภูมิต่า ส, สุดของที่วัดปา่าดอนไฮโซ ข, ของท่านเนี่ยคะ่ะ สักเท่าไห ร, ร่คะนัท้ที่ที่อาตมาเคยพบก็ประมาณแปดสิบองศาแปดองศาประมาณเนี้หมายถึงตอนกลางคืน อ, อตอนกลางช่วงหัวช่วงตอนเช้าเช้านะก่อนช่วงพระที่ขึ้นนี่แหละ เ, เป็นช่วงที่ก่อนจะไปบินธบารตรีมตัวเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หนาวที่สุด อ, อ๋อค่ะคล้ายๆแบบถ้าตอนกลางคืนหนาวคงไม่ทราบเพราะว่าหลับอยู่อะไรอย่างนั้นด้วยว่ะครั บ, บอ๋อมันจะไม่หนาวเท่าคือว่าตอนเช้ามันจะเริ่มมีลม มากกว่าตอนค่ำๆมานะถ้าตอนกลางดึกนี่ลมจะไม่ค่อยมีหรือมีก็จะน้อยกว่าตอนเมื่อเปรียบเทียกบกับตอนเช้าๆค่ะนะจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะด่ยังเคยได้ยินมาก็าบอกว่าถ้าปีไหนน้ามากปีนั้นน่ยจะหนาวมากออันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาบอกเล่ากันมาเนี่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาดูอย่างในวัดเนี่ยมันจะมีปลวกใช่ไหมถ้าปลวกมันจะขึ้นไปบนต้นไม้ทําร่องรอยเอาไว้เนี่ยเราดูว่ามันยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่เนี่ย ปีนั้นก็จะน้ำมากหรือน้ำน้อยตามความสูงของปลวกที่มันขึ้นไปบนต้นไม้นี่ก็มีอ๋อครับอพอท่านพูดถึงเรื่องปลวกแบบนี้ดิฉันมองย้อนกลับมาบนบ้านคนที่ถูกน้ำท่วมหลายบ้านเหมือนกันนะคะเขาก็หวั่นวิตกว่าพอน้ำไปเนี่ยจะกลายเป็นว่าปลวกมาอยู่แล้วก็ไม่ยอมกลับม า, มมากัดกินบ้านเขาอย่างเงี้ยอืมอืมก็นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ค่ะท่านคนไหน ก็ว่ากันอยู่เรื่องน้ำท่วมขอต่อเรื่องเกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมอีกสักหน่อยได้ไหมคะได้ได้ไดนะคะคือดิฉัน เ, เอเนี่ยสนใจในเรื่องของสื่อเพราะว่าก็ทำงานมาในแวดวงนี้มาช้านานทีนี้มาอ่านบทความพิเศษเตือนสื่อดรามา่าดราม่าที่แปลว่าละครบอกว่าอย่าลืมคุณค่าข่าวอย่างนี้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกหลายวันแล้วแหะนะคะซึ่งเข้าไป นำเอาคำสัมภาษณ์ด็อเตอร์เสริมสิรินินดำท่านเนี่ยสอนนิเทศศาสตร์อยู่ที่ราชพัฒเชียงรายและเป็นเจ้าของงานวิจัยที่ชื่อคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมนะคะเขาบอกว่าสื่อดราม่าเนี่ยเป็นการเสนอข่าวเล้าอารมณ์มเน้นบีบคั้นความรู้สึกของผู้ชมหรือผู้อ่านเป็นหลักโดยใช้เทคนิค ก, การสร้างเนื้อข่าวภาษาข่าวแล้วก็ ลำดับเรื่องราวเหมือนละคร อ, อย่างกรณีน้ำท่วมก็เช่นไปถ่ายภาพคนยากจนถูกน้ำท่วมมีเด็กมีคนแก่พิการเดือดร้อนหรือแสดงความขัดแย้งของแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือดยนะคะคนที่น่าสงสารแบบนั้น อ, อันนี้เป็นการยกตัวอย่างโดยท่าจานนะคะหรือว่าระหว่างฝั่งถูกน้าท่วมกับฝั่งน้าแห้งมีความขัดแย้งกัน กลวิธีของข่าวดรามา่าการใช้ภาพและภาษาบ่มเพาะอารมณ์ของคนในสังคมเช่นน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านรถทั้งคันจมอยู่ใต้น้ำภาพเหยือที่เป็นเด็กคนป่วยคนชราและคนยากจนที่โชคร้ายซ้ำซากน้ำท่ว ม, มการถ่ายภาพระยะใกล้ก็จะเน้นไิที่สีหน้าแววตาน้ำเสียงบีบคั้นอารมณ์น้ำตาคลอหรือว่าร้องไห้โผนะคะแล้วก็เพลงประกอบ ตลอดจนภาษาที่ขยายก็จะทำให้รู้สึกน่าสะพรึงกลัวเช่นคำว่ามวลน้ำมหาศาลขนาดใหญ่หสิ่งเหล่านี้มุ่งกระตุ้นอารมณ์ทางลบทำให้คนเกิดอาการอินอินนี่เป็นภาษาฝรั่งนะคะท่านผู้ฟังหมายถึงเกิดความรู้สึกร่วมอย่างแรง<อ>กับภัยพิบัติแล้วท่านก็บอกว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยเสนอข่าวแบบนี้มานานแล้วรวมทั้งน้าท่วมครั้งนี้ด้วย ข่าวดราม่าที่ถูกเสนอต่อเนื่องหลายเดือนที่ผ่านทำให้คนจิตตกเครียดและหดหูถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตามอันนี้ชัดเจนเนาะบางคนที่เขาบ้านอย่างนั้นไม่ท่วมแต่ฟังข่าวไปเรื่อยๆเนี่ยดูบางทีเนี่ยบริโภคข่าวนี่วันหนึ่งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงพอฟังเรื่องนี้ไปมันก็เครียดแหละเป็นรมราแล้วมันงที่ด้วยค่ะทั้คอันนี้จากประสบการณ์ตัวเอง เราอยู่กับบ้านเฉยๆพอออกไปข้างนอกงงคือความเข้าใจเนี่ยคิดว่าป่านนี้น้ํามันท่วมเจิ่งนองไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแต่เอาเข้าจริงๆพอออกไปมันก็ยังมีที่ที่ยังแห้งอยู่เยอะเหมือนกันเรื๋ยวัขออนุญาตต่อนิดนึงนะคะที่บทความนี้เขียนในมุมบวกด้วยของข่าวดรามา่าคือข่าวเชิงละครเนี่ยบอกว่ามันก็มีประโยชน์ที่ทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ก็กระตุ้นให้เกิดอยากบริจาคสิ่งของหรืออยากออกไปช่วยเหลือพวกเหยื่อน้ําท่วม และท่านก็เตือนต่อค่ะว่าเทคนิคนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่แอบแฝงประโยชน์ตัวเองไม่เสนอข่าวบีบคั้นจนคนเครียดหรือหดหูมากไปควรปลอบประโลมหรือชี้ทางออกของปัญหาให้ด้วย <c oughs> ก็ถ้าจะพูดไปในส่วนมีคุณค่าท่านก็บอกว่า ต้องปรับวิธีคิดเลือกมุมเสนอข่าวให้สร้างสรรค์กว่าเดิมเช่นให้มีองค์ความรู้มาให้คนที่ดูได้ความรู้หรือว่าทางด้านของการตรวจสอบด้านความขัดแย้งความรอบด้านโดยความรู้ก็ควรจะเป็นเนื้อเดียวกับข่าวทําให้เข้าใจแบบแบบคนมีความรู้นะคะ อ, อ, อย่างนั้นทีนี้ถ้าอธิบายในเชิงธรรมะเนี่ยอธิบายได้ไหมคะ อ, อธิบายได้แน่นอนคือเรื่องของผัสสะไงก็หมายความว่าการที่เขาเขียนข่าวอย่างนี้เนี่ยเพื่อต้องการดึงให้คนบันติด นีดึงให้คนมาฟังเหมือนกับว่าเวลาทีา่เราไปเห็นอะไรที่เราชอบมากๆเนี่ยนะหรือว่าเกลียดมากๆเนี่ยนะมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาทั้งที่เป็นสุขใช่ไหมถ้าชอบที่เป็นทุกข์ก็คือที่ไม่ชอบถ้าสิ่งที่ไม่ชอบเราก็จะมีทุกขเวทนาเราจะยิ่งไกลาจากมันมากถ้าชอบเราก็ยิ่งใกล้เข้ามันมากะจะเป็นลักษณะของคนเนี่ยจะเคลื่อนไปตามความรู้สึกเพราะฉะนั้นเขาจะต้อง ทำเพื่ อ, อยังไงให้ดึงผักเราทางผัสสะอย่างอย่างมารอย่างเงี้ยจะมาดึงเราไปทําชั่วเนี่ยเขาก็ดึงเราทางผัสสะในะเวลาใครจะทําไม่ดีเขาก็จะมาชวนเราทางผัสสะเพราะงั้นเขาจึงต้องสร้างผัสสะอย่างโฆษณาเป็นต้นนะคุณยมดีติลองมาดูโฆษณาเดียเ๋ยวนี้โอ้โหมันสีสันการเคลื่อนไหวนะหรือถ้าเราเปรียบเทียบก็ได้ระหว่างภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอในะจิตของเราเนี่ยจะเข้าไปจับตรงวิดีโอมากกว่าภาพนิ่ง ห, หรือถ้าเปรียบเทียบภาพนิ่งกับตัวหนังสือจิตของเราจะจับภาพนิ่งมากกว่าเพราะมันมาทางผัสสะมากกว่า<อ>เพราะฉะนั้นเขาจะจับเราเนี่ยด้วยผัสสะแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าเราไม่สมรวมอินทรีย์นะเป็นผู้ที่ไม่ปิดไม่มีสติปิ ด, ป ด, ปดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะไหลไปตามเขาได้ค่ะท่านคะขอหยุดตรงนี้เพื่อที่จะถามท่านให้ชัดเจนว่า พัทธะของท่านที่ว่านั้นน่ะเป็นอย่างไรพัทธะเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าสัมผัสนะคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกระบวนการการทํางานของจิตมนุษย์นะนะไม่ว่าจะเป็นคนถูกน้ําท่วมคนถูกไม่น้ําท่วมคนเหนือกลางอีสานคนชาติไหนก็แล้วแต่ผิวดําผิวขาวจิตของเราจะทํางานอย่างนี้หมดคือจิตของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่รับสุขรับทุกข์ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายงั้นท่านนะกำลังบอกว่าถ้ามาด้วยกัน หลายๆผัสสะพร้อมกันมันจะมีน้ำหนักมากกว่าในการในการอะไรนะคะเมื่อสักครู่ในการที่จะดึงเราให้ไปติดอยู่กับสิ่งนั้นอ๋ออย่างนั้นดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าถ้าเข้ามาหลายๆทางพร้อมกันเนี่ยมันจะดึงดูดได้มากอืมหลายๆทางนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็จำนวนความความเข้มข้นของความรู้สึกนี่ก็อีกส่วนหนึ่ง คือหมายควาว่าบางทีเรื่องเดียวอย่างสมมติอาหารอย่างเงี้ยทำไมคนถึงติดอาหารกันมากกว่ า, าติดรูปคือทางทางตาที่โบราณเขาว่านะปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำอย่างเงี้ยก็เพราะว่าถ้าเราเอาลิ้นแตะหรือกินอาหารอย่างเงี้ยเราได้ทั้งกลิ่นด้วยทั้งรสด้วยทั้งตาเห็นด้วย นะคือมันมาหลายทางมาหลายทางแต่ถ้าเห็นอาหารอย่างเดียวเราอาจจะไม่รู้แน่ใจว่าไอ้อาหารนี้อร่อยหรือไม่อร่อยะนะ <c oughs> ก็ลักษณะนี้เหมือนกันวิธีแก้ของบุรุษชาใช่ไหมก็คือว่าเออแทนที่เราจะไปบอกสื่อว่าคุณอย่าทําอย่างนี้นะไปบอกคนนี้คุณอย่าพูดอย่างนี้นะคุณอย่าทําอย่างนั้นคือเราก็บอกได้ระดับหนึ่งอะ่ะใช่ไหมมันก็ทําได้ระดับหนึ่งแต่วิธีแก้ดีที่สุดเนี่ยคือปิดกั้นที่อินทรีย์ของเราน ะ, ะข่าวแบบนี้มาฉันไม่สเสถือนค่ะท่านคะรัเดี๋ยวก่อนจะไปตรงเนี้ยก่อนจะแก้ เขาเรียนถามในรายละเอียดของบทความเนี่ยเขาก็จะพูดถึงการก่อให้เกิดผัสสะจนเกิดขึ้นมาแล้วแล้วดึงดูดแล้วเนี่ยมั น, <Gravity. S 2> ม, นมีทั้งส่งผลในทางบวกก็มี <Gravity. S 2> ในทางลบก็มีก็ดูมันมีประโยชน์นะคะ <Gravity. S 2> <ird> แต่ไม่ว่าเล่นจริงอยากถามว่าถ้าในส่วนที่มันส่งผลในทางดีที่บอกว่ามันก็จูงใจคนนะทาให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากายจะมีจิตอาสามากขึ้นอยากที่จะเสียสละบริจาคซึ่งทาง ทำเนี่ยถือเป็นการให้ฐานมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะว่ากันแบบพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้เนี่ยมองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรคะในในเรื่องของในเรื่องของมุติคีค่ะในมุมบวกของการเมื่อเกิดผัสษาขึ้นแล้วเออคือการทำเทคนิคอย่างเงี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย อ, อ, อย่างที่เขาบอกในบทความานะ ทีนี้ไอ้ข้อดีเนี่ยมันต้องแฝงมากับข้อเสียมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องของการมไงตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังไงมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าจะเอาแต่ข้อดีอย่างเดียวมีไหมมีวิธีการคือเราพูดเรื่องดีๆของคนอื่นถ้าสมมุติว่าคุณต้องการให้คนไปออกไปเป็นอาสาสมัครมีจิตอาสาใช่ไหมคุณประคมข่าวเรื่องจิตอาสานนะั้แทนที่จะประคมข่าวเรื่องไม่ดีนะเรื่องว่าคนได้รับทุก ถ้าเราประคอมข่าวเรื่องจิตอาสานะโอ้คนนี้ก็ช่วยคนนั้นก็ช่วยเราจิตจะน้อมไปในทางช่วยจิตจะน้อยนักที่จะน้อมไปในทางไม่ช่วยนะจะไม่มีจะไม่คนจะไม่คิดว่าโอคนช่วยเะแล้วไม่ช่วยหรอกนะมันจะไม่เป็นไปอย่างนั้น อ, อ่เพราะฉะนั้นวิธีแก้หรือเรามองในแง่ดีเนี่ยถ้าเราใช้ธรรมะใช่ในการที่ว่ า, าพูดเรื่องดีๆของคนอื่นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราพูดนิดเดียว เราก็พูดเรื่องดีๆพูดเรื่องที่เขาสร้างสารอันนี้จะดีกว่าก็จะอยู่ในมรรคด้วยแล้วบุคคลที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยเนี่ยถ้าเรื่องที่ไม่ได้ฟังก็บอกว่าได้ฟังเรื่องที่ไม่เห็นก็บอกว่าได้เห็นหรือเอาข้อมูลมาสลับเปรียบเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าเป็นวาจาทุภาสิทินะไม่ใช่สามมาวาจามันก็จะมีผลเป็นโทษกับบุคคลนั้นนะถ้าเดินนอกออกนอกมรรค ค่ะแต่ดิฉนเข้าใจว่าสื่อจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้อาการหนักถึงขนาดว่าไปบิดเบือนจากถูกมาเป็นผิดนะคะอย่างแต่ว่าในเรื่องจริงนั้นเนี่ยนาเสนอให้มีน้ําหนักที่ทําให้คนเกิดความสะเทือนอารมณ์ได้มากขึ้นคื อ, อสมมุติว่าถ้าถ่ายภาพเราไปดูภาพบริเวณน้ําท่วมมันจะมีทั้งจุดที่น้ําท่วมแล้วมาขังอยู่น้ําก็จะไม่เคยแรงเท่าไหร่ กับบริเวณที่ใกล้กๆกันแต่เป็นบริเวณที่ทำนบทลายหรือว่าเป็นบริเวณที่ต่างระดับน้ำไหลลงที่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะความแรงของน้ำก็จะแตกต่างกันแต่มันเกิดในวันเดียวกันเวลาเดียวกันถ่ายคนละมุก อ, อะไรประมาณเนี้ยครับอาจารยก็ ค, ค, คงต้องนำเสนอความจริงทุกด้านถึงจะเรียกว่าถูกต้องอแล้วกถ็ถ้าบอกทุกด้านอย่างผู้ทเาเวลาแสดงธรรมเนี่ยบอกทุกแงม่มุม ไม่มีธรรมะในกำ ม, มือคือธรรมะที่ยังไม่เปิดเผยแสดงออกให้ดูอถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระรุจ่าเราก็ทำอย่างนี้ก็จะมีความสบายใจละ่ะค่ะคือทั้งนี้และทั้งนั้นดิฉันเข้าใจว่าบทความชิ้นนี้แล้วก็เรื่องที่เอามาถามท่านอาจารย์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดการช่วยกันทำให้สมเจตนาของทุกคนดิฉันเชื่อนะคะว่าคนทำงานเนี่ยเจตนาดีมากอือแต่บางทีเนี่ยอาจจะคิดไปไม่ถึงอืมนะคะ ก็ก็มีคนเขาติงมาด้วยองค์ความรู้นี่ก็เขาท่าเหมือนกันแล้วเราก็เพิ่มให้ในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทางรายการนี่ทําอยู่นะคะก็คือให้ธรรมะเข้าไปประเด็นของอาจารย์มาคือตรงนี้ว่าผู้บริโภคข่าวต่างหาเราต้องบริเราต้องป้องกันตรงที่ตัวเรานะเราบริโภคข่าวเราดูเนี่ยสื่อแบบดราม่าอย่างเงี้ยนะเราดูแล้วคุณรักษาจิตยังไงนะถ้าจิตของผู้บริโภคมีสติอยู่ตลอด เนะเราไม่จําไม่ต้องกลัวต่อให้มันดราม่ามาขนาดไหนหรือต่อให้เป็นข้อมูลจริงข้อมูลเท็จ เ, เราจมน้ําอยู่จริงอยู่ไม่จริงอยู่เนี่ยเราเรารับมือได้หมดจะสบายใจมากจุดนี้ค่ะนะคะก็เท่ากับว่าต้องมาฝึกอันนี้เป็นวิธีที่จะปลูกฝีป้องกันตัวเองแต่ถ้าอาจารย์คะทีนี้บางคนเนี่ยถ้าเขามีโอกาสเดินเข้ามาหาแล้วเจอธรรมะอย่างนี้ก็ดีไปใช่ไหมคะก็จะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอืมแต่ ถ้าเกิดคนทุกคนไม่เหมือนกันไม่มีโอกาสเท่าเทียมกันก็คงจะต้องอาศัยว่าผู้ที่ทํางานเนี่ยแหละต้องประนีตต้องรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะให้ความรู้เรื่องผัดสาไปด้วยถ้าจะให้นักข่าวเขาให้ประชาชนง่ายๆเนี่จะให้ให้ลักษณะใดดีคะในเวลาอันสั้นที่เหลืออยู่เนี่ยคะ่ะอ๋อก็พูดตามจริงคือเสนอทุกด้านในจุดที่แห้งก็บอกจุดที่เปียกก็บอกจุดที่ไหลแรงก็บอกจุดที่ไหลค่อยก็บอกบอกทั้งข้อดีข้อเสีย งจะถูกะนะคะก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าเราช่วยๆกันในเวลานี้คุณโยมติ๋วมันต้องอมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันในวันพรุ่งนี้แตมาจะพูดประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาปลุกที่จะทำให้เราสร้างความดีสถทีหนึ่ง อ๋อค่ะนะคะเพราะฉ ะ, ะนั้นวันนี้นาฬิกาก็บอกว่าต้องจบรายการแล้วสิคะเนี่ยเ <c> พ <oughs> <c oughs> ลอแป๊บเดียวเองก็ติดตามรับฟังรายการในช่วงเวลาของท่านภัยบูลได้เป็นช่วงที่2นะคะส่วนเวลาของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่เวลาตีห้าโดยประมาณวันนี้นมสัส ก, การขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านฝั่งที่ครบค่ะและนั่นก็คือพระภัยบูลอคิปุลโน จากวัดปาดอนหายโศกน้องหารอุดรธานีซึ่งก็ได้ทําหน้าที่ในการแบ่งเบารับผู้อบพยพที่หนีน้ําท่วมและหนีไปไกลหน่อยที่อุดรด้วยนะคะที่วัดนั้นรายการ น, น, นี้สัญนีสนทนากลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณเราก็ยังคงแจกหนังสืออยู่เรื่อยๆทางสถานีก็จะประสานงานมานะคะเวลาที่หนังสือหมดในแต่ละครั้งดิฉันก็จะกราบเรียนขอไปทาง พระจันทร์คลิปโสติพโลแห่งวัฒนาปาพงที่พระมาชาคาวโรซึ่งดำน็นในรายการอยู่กับเราด้วยเหมือนกันในช่วงต้นอยู่ที่นั่นน ะ, นะคะวันนี้บอกเบอร์ทิ้งไว้ให้022690006อย่าลืมขอกันมาก็แล้วกันได้วันละ3ท่านท่านละหนึ่งเล่ม น, นะคะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะฟุธวัตรสวัสดีคะ่ะ